นวกรร ม, มทานกถาว่าด้วยวิธีการที่ภิกษุให้นวกรรมเรื่องภิกษุชาวเมืองอาลวีให้นวกรรมครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนกะีตาคีรีชนบทตามพระอัทฉริยสายแล้วได้เสด็จจ่ารึกไปทางเมืองอาลวีเสด็จจารึกไปโดยลําดับจนถึงเมืองอาลวีทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะอัครวะเจดี ในเมืองอารวีนั้นสมัยนั้นผู้พ si ิสูุชาเมืองอารวีให้นวักกรรมอย่างนี้คือให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงวางก้อนดินบ้างให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงฉาบทาฝาบ้างให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงติดตั้งประตูบ้างให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงติดสายยูบ้างให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงติดตั้งกรอบเช็ดหน้าบ้างให้นวักรรมด้วยอาการเพียงทาสีขาวบ้าง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 ไม่พึงให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงวางก้อนดินและถึงไม่พึงให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงฉาบทาฝาไม่พึงให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงติดตั้งประตูไม่พึงให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงติดสายอยู่ไม่พึงให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงติดตั้งกรอบเช็ดหน้าไม่พึงให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงทาสีขาวไม่พึงให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงทาสีดำ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 ไม่เพงให้นวกกรรมตลอดชีวิตไม่เพงให้นวกกรรมวิหารที่สร้างเสร็จแล้วช่วงเวลาแห่งควันไฟรูปใดให้ต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุให้นวรกรรมวิหารที่ยังไม่ได้สร้างหรือที่สร้างค้างไว้ให้ตรวจ ด, ดูวิหารเล็กแล้วให้นวักกรรมห6ถึงปีให้ตรวจ ด, ดูงานในเรือนมงแถบดีวแล้วให้นวรกรรม7ถึงปี ให้ตรวจดูงานในวิหารใหญ่หรือปราสาทแล้วให้นวกรรม1 0 1ถึงปีสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายให้นวกรรมวิหารทั้งหลังภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงให้นวกรรมวิหารทั้งหลังรูปใดให้ต้องอาบัตทุกฏกสมัยนั้น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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่เพิ่งรับนวกรรมแล้วขีดการเสนาสนะของสง์รูปใดกี่กันต้องอาบัตุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถือเอาที่นอนอย่างดีแห่งหนึ่งสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายให้นวกรรมแก่ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ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 รูปใดกีดกันต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้กีดกันไว้ชั่วสามเดือนฤดูฝนแต่ไม่ให้กีดกันไว้ตลอดฤดูการสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายรับนวกรรมแล้วหลีกไปบ้างเสกบ้างมรณะผ้าบ้างปฏิญญาเป็นสามเณรบ้างปฏิญญาเป็นผู้บอกคืนศีกขาบ้างปฏิญญาเป็นผู้ต้องอันติมะวัตถุบ้างปฏิญญาเป็นผู้วิกลจริตบ้าง ปติญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านบ้างปติญญาเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาบ้างปติญญาเป็นผู้ถูกลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตบ้างปติญญาเป็นผู้ถูกลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทําคืนอาบัตบ้างปติญญาเป็นผู้ถูกลงโอเคปนิยกรรมเพราะเม่สละวิธิบาบ้างปติญญาเป็นบันเาอบ้างปติญญาเป็นคนลักกระเพทบ้างปติญญาเป็นผู้เข้ารีดเดีรถีบ้าง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 พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วหลีกไปสงพึงให้นวกรรมแก่ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่านวากรรมของสง์อย่าได้เสียหายภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วศึกละถึงมรณภาพปฏิญญาเป็นสามเณปรปฏิญญาเป็นผู้บอกคืนศีรษา ปติญญาเป็นผู้ต้องอันติมวัตถุปติญญาเป็นผู้วิกลจริตปติญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปติญญาเป็นผู้กระสับกระสายพระเวทนาปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัติปติญญาเป็นผู้ถูกสงลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัติปติญญาเป็นผู้ถูกลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่สลาดที่จิบาปปติญญาเป็นบรนดอกปติญญาเป็นคนละประเภท ปติญญาเป็นผู้เข้ารีดเดรธีปติญญาเป็นสัตว์เดรฉานปติญญาเป็นผู้ฆ่าบิดาปติญญาเป็นผู้ฆ่ามารดาปติญญาเป็นผู้ฆ่าพระอรหันต์ปติญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีปติญญาเป็นผู้ทำสง์ให้แตกกันปติญญาเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนห้อพระโลหิตปติญญาเป็นอุปตพยัญชนะกสงพึงให้นวกรรมไกรภิกษุอื่นด้วยสั่งว่า นวกรรมของสงฆ์อย่าได้เสียหายภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วหลีกไปเมื่ อ, อยังทำไม่เสร็จสงฆ์ผืนมอบนวกรรมให้ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่านวกรรมของสงฆ์อย่าได้เสียหายภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วสึกไปเมื่อยังทาไม่เสร็จละถึงมรณภาพละถึง ปติญญาเป็นอุปตพยัญชนะกสงพึงมอบนวกรรมให้ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่านวากรรมของสงอย่าได้เสียหายภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วหลีกไปเมื่อทำเสร็จแล้วนวกรรมนั้นตกเป็นของภิกษุนั่นเองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วสึกไปเมื่อทาเสร็จแล้วและถึงมรณภาพ ปติญญาเป็นสามเณรผู้บอกเคลื่นศีรษะต้องอันติมะวะัตุสงเป็นเจ้าของภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วพอทำเสร็จก็ปติญญาเป็นผู้วิกลจริตปติญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปติญญาเป็นผู้กระสับกระสายพระเวทนาปฏิญญาเป็นผู้ถูกลงอุเคปัญญกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต ปติญยาเป็นผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ทำคืนอาบัตปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุเคปนิยกรรมเพราะไม่ละทิฏฐิบาปนวกรรมนั้นตกเป็นของภิกษุนั่นเองภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุรับนวกรรมแล้วพอทำเสร็จก็ปติญญาเป็นบันดอกปติญญาเป็นคนละกะเพศปติญญาเป็นผู้เข้ารีดเดีรถีปติญญาเป็นสัตว์เดรัาน ปติญญาเป็นคนฆ่าบิดาปฏิญญาเป็นคนฆ่ามารดาปฏิญญาเป็นคนฆ่าพระอรหันต์ปฏิญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีปฏิญญาเป็นผู้ทำสง์ให้แตกกันปฏิญญาเป็นผู้ทำร้ายพระาศาสดาจนหอพระโลหิตปฏิญญาเป็นอุปตโอพยัญชนกสง์เป็นเจ้าของอัญญตระปริโภคะปฏิเขปาทิว่าด้วยการห้ามใช้เสนาสนะผิดที่เป็นต้น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 เครื่องใช้สอยในที่แห่งหนึ่งไม่พึงนําไปใช้สอยในที่อีกแห่งหนึ่งรูปใดนําไปใช้ต้องอาบัตทุกกฎเรื่องทรงอนุญาตให้ยืมเสนาสะนะสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายยำเกรงที่จะนําเสนาสะนะเครื่องใช้สอยไปโรงอุโบสถบ้างที่ประชุมบ้างจึงนั่งบนพื้นดินเนื้อตัวและจีวรจึงเปื้อนฝุน่น ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้นำไปใช้ได้ชั่วคราวเรื่องทรงอนุญาตให้เก็บรักษาเสนาสนะสมัยนั้นวิหารหลังใหญ่ของสงเกิดชมรุดภิกษุทั้งหลายยำเกรงอยู่จึงไม่นำเสนาสนะออกไปภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้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 ภิกษุไม่ล้างเท้าเหยียบเสนาสนะเสนาสนะเสียหายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ล้างเท้าไม่พึงเหยียบเสนาสนะรูปใดเหยียบต้องอาบัตทุกฎเรื่องห้ามภิกษุเท้าเปียกเหยียบเสนาสนะสมัยนั้นภิกษุเท้าเปียกเหยียบเสนาสนะ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 ภิกษุไม่พึงพิงฝาที่ทำบริกรรมรูปใดพิงต้องอาบัตทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตพนักพิงพนักพิงส่วนล่างครูดพื้นส่วนบนครูดฝาภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ใช้ผ้า พ, พันทั้งข้างล่างและข้างบน เรื่องทรงอนุญาตให้ปูผ้านอนสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายล้างเท้าแล้วยำเกรงที่จะนอนภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ปูผ้านอนสังคพัส ต, ตาที่อนุชานนะว่าด้วยทรงอนุญาตสังคพัสเป็นต้น ครั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเมืองอาลาวีตามพระอธียาสัยแล้วสเสด็จจ่าริกไปทางกรุงราชครือเสด็จจ่าริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงราชครือทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตในกรุงราชครือนั้นสมัยนั้นกรุงราชเครือเกิดเข้ายากหมาแพงประชาชนไม่สามารถจะจัดสังกพัฒแต่ปรารถนาจัดอุเทสพัฒน นิมันตนะพัสสลากพัสปักขิกกะพัสอุโปสถกกพัสปาติปเถกกพัสภิษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสังฆพัสอุเทสพัสนิมันตนะพัสสลากกพัสปักขิกกพัสอุโปสถกกะพัสปาติปเถกกพัส พระตุเทสะกะสมมุติว่าด้วยการแต่งตั้งพระพระตุเทศสมัยนั้นผู้พิสษุชาวพคีรับพัะตาหารอันปราณีตไว้เพื่อตัวเองให้พัะตาหารเลวแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งพิกษุผู้มีคุณสมบัติห้าอย่างเป็นพระพระตุเทศ คือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสไม่ลำเอียงเพราะหลงสไม่ลำเอียงเพราะกลัวหรู้จักอาหารที่แจกและอาหารที่ยังไม่ได้แจกวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสงพึงแต่งตั้งอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอร้องภิกษุครั้นแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถ พึงประกาศให้สงสาบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นพัตุเทศนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นพัตุเทศท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นพัตุเทศท่านรูปนั้นพึงนิ่ง ท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นพระตุเทศแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพ่ะเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้วิธีแจกพัดครั้งนั้นภิกษุพระตุเทศทั้งหลายได้ปรึกษากันดังนี้ว่าพวกเราพึงแจกพัดอย่างไรภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงทราบ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 ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุให้เป็นเสนาสนะปัญญาปกะเป็นต้นสมัยนั้นสงส์ยังไม่มีภิกษุผู้เป็นเสนาสนะปัญญาปะกะไม่มีภิกษุผู้รักษาเรือนคลังไม่มีภิกษุผู้รับจีวรไม่มีภิกษุผู้แจกจีวรไม่มีภิกษุผู้แจกเข้าต้มไม่มีภิกษุผู้แจกผลไม้ไม่มีภิกษุผู้แจกของเคี้ยวของเคี้ยวที่ยังไม่ได้แจกย่อมเสียหาย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 อภัมัติกะวิสัชกกะสมมุติว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุผู้แจกของเล็กน้อยสมัยนั้นทรงได้บริการเล็กเล็กน้อยๆในเรือนคลังเหลือเฟือภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติ5้าอย่างเป็นผู้แจกของเล็กๆน้อยๆย 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชังสมไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักของเล็กเล็กน้อยๆยที่แจกและของเล็กเลกน้อยๆยที่ยังไม่ได้แจกวิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายทรงพึงแต่งตั้งอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอร้องภิกษุครันแล้วภิกษุผู้ฉลาดสามารถ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 ท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้แจกของเล็กๆ็กน้อยๆอยสงเห็นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงนิ่งเขาพระเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้เรื่องของเล็กน้อยที่ควรแจกภิกษุผู้แจกของเล็กๆกน้อยน้อยพึงให้เข็มหนึ่งเล่มพึงให้มีดพึงให้รองเท้าพึงให้ประคตเอว เพึงให้สายโยกบาดเพึงให้ผ้ากรองน้ำพึงให้ที่กรองน้ำพึงให้ผ้าปุสิพึงให้ผ้าอันทัปุสิพึงให้ผ้ามณฑนพึงให้ผ้าอันทมณฑนพึงให้ผ้าอนุวาดพึงให้ผ้าปริพันธ์ถ้าสงมีเนยใสน้ำมันน้ำพึ่งหรือน้ำอ้อยก็ควรให้ลิ้มได้คราวหนึ่งถ้าต้องการอีกก็ควรให้อีกซาติยักาหาปกาติสมมต ว่าด้วยการแต่งตั้งภิกษุผู้แจกผ้าเป็นต้นสมัยนั้นสงฆ์ยังไม่มีภิกษุผู้แจกผ้าไม่มีภิกษุผู้แจกบาตรไม่มีภิกษุผู้ใช้คนวัดไม่มีภิกษุผู้ใช้สามเณรสามเณรทั้งหลายที่ภิกษุไม่ใช้ย่อมไม่ทํางานภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุผู้มีคุณสมบัติ5อย่างเป็นผู้ใช้สามเณรคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสาไม่ลำเอียงเพราะหลงสไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. รู้จักงานที่ควรใช้และงานที่ยังไม่ได้ใช้วิธีแต่งตั้งและกรรมวาจาภิกษุทั้งหลายสรพึงแต่งตั้งอย่างนี้เบื้องต้นพึงขอร้องภิกษุ ครั้นแล้วภิกษุผู้ชนาสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าถ้าสงพร้อมแล้วพึงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นผู้ใชส้สมณเณรนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสงแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้เป็นผู้ใชส้สมณเณรท่านรูปใดเห็นด้วยกับการแต่งตั้งภิกษุชื่อนี้ เป็นผู้ใช้สมณีนท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วงภิกษุชื่อนี้สงแต่งตั้งให้เป็นผู้ใช้สมณีนสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งเขาพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ตติยะพาณวาระจบเสนาสนัขันธกะที่หจบ รวมเรื่องที่มีในเสนาสนะคันตะเรื่องที่พระผู้มีพระภาคยังไม่ได้ทรงบัญญัติเสนาสนะพระสาวกของพระองค์อยู่ตามป่าและโคนไม้เป็นต้นนั้นๆตอนเช้าตรู่ออกมาจากที่อยู่เสถี๋ชาวกรุงราชเกลึกเห็นแล้วเดียกล่าวแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าเขาพเจ้าจะให้สร้างวิหารพระคุณเจ้าทั้งหลายจะอยู่หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลถามพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตเสนาสนะห้าชนิดคือวิหารเรือนมุงแถบเดียวปราสาทเรือนโล้นถ้ำเศรษฐีชาวกรุงราชคฤื้สร้างวิหารถวายหกสบหลังเรื่องประชาชนสร้างวิหารเรื่องวิหารไม่มีบานประตูภิกษุไม่ระวังงูแมงป่องตะขาบจึงเข้าไปเรื่องพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตบานประตูกรอบเช็ดหน้า รูครกที่รับเดือประตูห่วงข้างบนช่องสำหรับชักเชือกสำหรับชักสายอยู่ไม้หัวลิงลิ่มกลอนลูกดานโลหะลูกดานไม้ลูกดานเขาสัตว์ลิ่มยนทรงอนุญาตหลังคาโบกฉาบดินทั้งภายในภายนอกหน้าต่างมีลวดลายทำเป็นกระบังชุกกชีหน้าต่างมีตาขายหน้าต่างมีลูกกลง ผ้าผืนเล็กสําหรับกั้นหน้าต่างม้านหน้าต่างทรงอนุญาตย่ารองนั่งต่างไม้เตียงสารเตียงชนิดมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้าที่ Renee, ทิ้งไว้ในป่าช้าต่างมีแม่แคร่สอดเข้าในเท้าเตียงมีแม่แคร่ติดกับเท้าต่างมีแม่แคร่ติดกับเท้าเตียงมีเท้าดังกล้ามปูต่างมีเท้าดังกล้ามปูเตียงมีเท้าจดแม่แคร่ต่างมีเท้าจดแม่แคร่ ม้านั่งสี่เหลี่ยมม้านั่งสี่เหลี่ยมสูงม้านั่งสี่เหลี่ยมสูงมีพนักสามด้านม้านั่งสี่เหลี่ยมมีพนักสามด้านชนิดสูงทรงอนุญาตต่างววยต่างหุ้มด้วยผ้าต่างขาทรายต่างก้านมะขามป้อมแผ่นกระดานเก้าอี้ต่างฟางเรื่องทรงห้ามนอนบนเตียงสูงเรื่องภิกษุนอนเตียงต่ำถูกงูกัดจึงทรงอนุญาตไม้หนุนเท้าเตียง พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตไม้หนุนเท้าเตียงสูง8นิ้วเป็นอย่างมากทรงอนุญาตได้ถักเตียงทรงอนุญาตให้เจาะตัวแม่แคร่แล้วถักเป็นตาหมากรุกทรงอนุญาตให้ทำท่อนผ้าเล็กๆ เ, เป็นผ้าปูพื้นทรงอนุญาตให้สางนุ่นแล้วทำเป็นหมอนทรงห้ามใช้หมอนยาวขนาดกึ่งกายหมอนข้างเรื่องมหรสท บ, บนยอดเขาทรงอนุญาตฟูก5ชนิด ทรงอนุญาตผ้าสำหรับใช้สอยประจำเสนาสนะหุ้มฟูกทรงอนุญาตเตียงหุ้มฟูกและต่างหุ้มฟูกฟูกย้อยลงข้างล่างโจรลักเอาผ้าหุ้มฟูกไปทรงอนุญาตให้เขียนแต้มไว้ให้ทำตำหนิด้วยรอยนิ้วมือไว้เรื่องที่อยู่พวกดิรธีมีสีขาวแต่พื้นสีดำพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตสีขาวสีดำสีเหลืองในวิหารทรงอนุญาตดินปนกแกลบ ดินละเอียดยางไม้แป้งเปียกดินปนแกลบแป้งมะลิพันธผักกาดขี้พึ่งเหลวแป้งหนาเกินไปทรงอนุญาตให้ใช้ผ้าเช็ดออกพื้นหยาบสีดําไม่เกาะติดทรงอนุญาตให้ใส่ดินปนแกลบทําให้สีดําเกาะติดทรงอนุญาตยางไม้น้ําฝาดเรื่องผู้พิสษุ์ชาวพาคีให้ช่างเขียนภาพจิตรกรรมเรื่องวิหารในพื้นที่ต่ําเรื่องดินที่ถมพังทลาย เรื่องภิกษุขึ้นลงลำบากเรื่องภิกษุขึ้นลงพลัดตกลงมาเรื่องวิหารมีพื้นเป็นลานโลง่งทรงอนุญาตกั้นฝาครึ่งหนึ่งทรงอนุญาตห้องภายในสามชนิดทรงอนุญาตให้กั้นห้องไว้ด้านหนึ่งในวิหารเล็กเรื่องเชิงฝาวิหารชมรุดฝาผนังวิหารถูกฝนสาดเรื่องงูตกจากหลังคามงยาลงมาที่คอของภิกษุท่านตกใจร้องเสียงลั่น ทรงอนุญาตไม้เดือยติดฝาราวจีวรระเบียงกับแผงเลื่อนฝาคำ้ำเรื่องทรงอนุญาตราวสำหรับยึดขึ้นหอฉันพงหญ้าที่มุงหอฉันดังกล่าวในขนหลังตกเกลื่อนภิกษุปูจีวรบนพื้นดินกลางแจ้งน้ำดื่มถูกแดดจึงร้อนทรงอนุญาตศาลาน้ำดื่มไม่มีภาชนะสำหรับตักน้ำเรื่องวิหารไม่มีรั้วล้อมซุ้มประตูไม่มี บริเวณเป็นโครนตมทรงอนุญาตสาลาไฟเรื่องอารามไม่มีรั้วล้อมซุ้มประตูดังกล่าวในหนหลังไม่มีทรงอนุญาตปูนขาวเรื่องอนาถบินิกะฆ่าบดีมีศรัทธาไปป่าศรีตะวันเห็นทำแล้วกราบทูนนิ ม, มนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมกับภิกษุสงฆ์ไปจำพรรษาณกรุงสาวัตถีระหว่างทางท่านอนาถบินิกะฆ่าบดีได้ชักชวนประชาชนสร้างอาราม พระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตนาวกรรมในกรุงเวสาลีเรื่องพวกภิกษุชาวพคีล่วงหน้ารีบไปจองเสนาสนะเรื่องใครควรได้พัดอันเลิศทรงแสดงติติริยาพรหมจันทร์ทรงแสดงบุคคลที่มีควรหว้สิบจำพวกเรื่องพวกอันเทวาสิกของพวกภิกษุชาภคีจับจองเสนาสนะเรื่องประชาชนตกแต่งที่นั่งที่ น, นอนสงใหญ่ในละแวกบ้านตกแต่งเตียงต่างยัดนุ่น พระผู้มีพระภาคเสด็จ ก, กรุงสาวัตถีอนาถบิณิกขะข้าบดีถวายอารามเกิดเหตุการณ์วุ่นวายในโรงอาหารผู้ พ, พิษุชาพักขีบังคับพิษุเป็นไข้ให้ย้ายที่ผู้พิสุชาพักขียืดเอาที่นอนดีๆอีกกันอาสนะไว้โดยอ้างเลสผู้พิสุสัตระสวัคขีสอมแซมวิหารอยู่จำพรรษาในที่นั้นพิษุปรึกษากันว่า ใครจะพึงจัดแจงให้ภิกษุเถอเสนาสนะภิกษุเจ้าหน้าที่จัดแจงให้เถอเสนาสนะปรึกษากันว่าควรให้เถอเสนาสนะอย่างไรพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้แจกตามจํานวนที่นอนตามจํานวนวิหารตามจํานวนบริเวณทรงอนุญาตให้แจกส่วนเพิ่มอีกเมื่อไม่ปรารถนาก็อย่าให้ผู้ภิกษุให้ภิกษุอยู่นอกสีมาเถอเสนาสนะ ผู้ พ, พิสษุห่วงเสนาสนะไว้ตลอดเวลาทรงแสดงการให้ถือเสนาสนะสามอย่างท่านพระอุปนันทสักยบุตรจองเสนาสนะพระผู้มีพระภาคทรงพนานาคุณแห่งพระวินยัยผู้พิสษุยืนเรียนพระวินยัยทรงอนุ ญ, ญาตให้นั่งบนอาสนะเสมอกันเรียนพระวินยัยพิสษุหลายรูปนั่งบนอาสนะระดับเดียวกันทาให้เตียงหัก ทรงอนุญาตให้นั่งได้เตียงละสามรูปสองรูปทรงอนุญาตให้นั่งบนอาสนะยาวร่วมกับผู้มีอาสนะต่างระดับทรงอนุญาตให้ใช้สอยประศาสตรมีระเบียงสมเด็จพระอายิกาของพระเจ้าปเปเสนทิโกสนที่วงคตเรื่องกายพยาพันเป็นจํานวนมากเกิดขึ้นแก่สมภิกษุจัดแจงเสนาสนะสงฆ์อยู่เมื่อไกลกรุงราชครึกพระอัศจิและพระปุณพสุกะ อยู่ที่กีตาคิรีชนบทแบ่งเนสนาสนะสมภิกสุชาวเมืองอาลวีให้นวักกรรมด้วยอาการเพียงวางก้อนดินฉาบทาฝาติดตั้งบานประตูติดสายอยู่ติดตั้งกรอบเช็ดหน้าทาสีขาวทาสีดำทาสีเหลืองมุงหลังคาผูกมัดหลังคาติดไม้หลบหลังคาปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่สุดโทมขัดถูให้นวกรรม2 0ถึงปี ให้ในวิหารที่สร้างเสร็จแล้วช่วงเวลาควันไฟพระผู้มีพระภาคทรงอนุ ญ, ญาตให้ภิกษุให้นวกรรมวิหารที่ยังไม่ได้สร้างที่สร้างค้างไว้ให้ตรวจดูงานในวิหารเล็กแล้วให้นวกรรมห้าถึงหปีให้ตรวจดูงานในเรือนที่มุงแถบเดียวแล้วให้นวกรรมเจถึง8ปีให้ตรวจดูงานในวิหารหรือปราสาทใหญ่แล้วให้นวกรรมสิบปีสบสองปี ภิกษุให้นวกรรมวิหารทั้งหลังภิกษุให้นวกรรมสองแห่งแก่ภิกษุรูปเดียวภิกษุรับนวกรรมแล้วมอบให้ภิกษุอื่นภิกษุรับนวกรรมแล้วขีดการเสนาสนะสมไว้ภิกษุให้นวกรรมแก่ภิกษุผู้อยู่นอกสีมาภิกษุรับเอานวกรรมแล้วห่วงไว้ตลอดเวลาภิกษุรับเอานวกรรมแล้วหลีกไปศึกมรณภาพปฏิญญาเป็นสามเณร ปติญญาเป็นผู้บอกคื่อนศีรษะปติญญาเป็นผู้ต้องอันติมัตวัตถุปติญญาเป็นผู้วิกลจริตปติญญาเป็นผู้มีจิตฟุ้งซ่านปติญญาเป็นผู้กระสับกระสายเพราะเวทนาปติญญาเป็นผู้ถูกลงโอเคปนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัตปติญญาเป็นผู้ถูกลงโอเคพนิยกรรมเพราะไม่ทำเคืนอาบัตปติญญาเป็นผู้ถูกลงอุเคพนิยกรรมเพราะไม่สละทิฏฐิบาปปติญญาเป็นบรนดอก ปติญญาเป็นคนลักกระเพดปติญญาเป็นผู้เข้ารีดเดรธีปติญญาเป็นสัตว์เดรชานปติญญาเป็นคนฆ่าบิดาปติญญาเป็นคนฆ่ามารดาปติญญาเป็นคนฆ่าพระอรหันต์ปติญญาเป็นผู้ประทุษร้ายภิกษุณีปติญญาเป็นผู้ทำสงฆ์ให้แตกกันปติญญาเป็นผู้ทำร้ายพระศาสดาจนห่อพระโลหิตปติญญาเป็นอุปโตพยัญชนก เพึง ม, มอบนวกรรมแก่ภิกษุอื่นด้วยสั่งว่าท่านอย่าให้ของสงเสียหายเมื่อยังไม่เสร็จควรมอบให้ภิกษุอื่นเมื่อทําเสร็จแล้วหลีกไปนวกรรมเป็นของภิกษุนั้นเองภิกษุศึกมรณภาพปฏิญญาเป็นสามเณรลาสิกขาเป็นปราชิกสงเป็นเจ้าของภิกษุวิกลจริตมีจิตฟุ้งซ่านกระสับกระสายพระเวทนาถูกสงลงโอเคพนิยกรรมเพราะไม่เห็นว่าเป็นอาบัต เพราะไม่ทําคืนอาบัตเพราะไม่สละทิฏฐิบาปนวกรรมนั้นเป็นของภิกษุนั้นเองภิกษุปติญญาเป็นบรนดอกเป็นคนลักกะเพทเข้ารีดเดรธีปฏิญญาเป็นสัตว์เดรฉานปฏิญญาเป็นคนฆ่าบิดามารดาปฏิญญาเป็นคนฆ่าพระอรหันต์ปฏิญญาเป็นคนประทุษร้ายภิกษุณีปฏิญญาเป็นคนทําร้ายพระศาสดาจนห่อพระโลหิตเป็นอุปโตพยัญชนก สงเป็นเจ้าของเรื่องพิกษุนำเสนาสนะเครื่องใช้สอยประจำวิหารไปใช้ที่อื่นผู้ พ, กพิกษุยำเกรงที่จะนำเสนาสนะไปใช้ในโรงอุโบสถมหาวิหารของสงชำรุดทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนผ้ากำพลเพื่อประโยชน์แก่พาติกรรมทรงอนุญาตให้แลกเปลี่ยนผ้าราคาแพงเพื่อประโยชน์แก่พาติกกรรมทรงอนุญาตให้ทำหนังหมีเป็นเครื่องใช้เท้า ทรงอนุญาตเครื่องเช็ดเท้าทรงกลมทรงอนุญาตให้ทำผ้าท่อ น, น้อยเป็นผ้าเช็ดเท้าภิกษุไม่ล้างเท้าเหยียบเศนาสนะพิกษุเท้าเปียกเหยียบเสนาสนะภิกษุสวมรองเท้าเหยียบเสนาสนะพิกษุทมน้ำลายบนพื้นที่ทำบริกรรมเท้าตีงและเท้าต่างครูดพื้นภิกษุพิงฝาที่ทำบริกรรมพนักพิงครูดพื้นพิกษุล้างเท้าและยำเกรงที่จะนอน เรื่องประชาชนไม่สามารถจะจัดสังคพัทผู้ภิกษุฉัวพคขีให้พัตตาหารเลวแก่ภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตให้แต่งตั้งพระพัตุเทศภิกษุพัตุเทศปรึกษากันว่าจะแจกพัตตาหารอย่างไรทรงอนุญาตให้แต่งตั้งภิกษุเป็นเสนาสะนะปัญญาปกะภิกษุผู้เป็นเจ้าหน้าที่รักษาเรือนคลังภิกษุผู้รับจีวรนภิกษุผู้แจกจีวรน ภิกษุผู้แจกข้าวต้มภิกษุผู้แจกผลไม้ภิกษุผู้แจกของเคี้ยวภิกษุผู้แจกของเล็กๆน้อยๆภิกษุผู้แจกผ้าภิกษุผู้แจกบาทภิกษุผู้ใช้คนวัดภิกษุผู้ใช้สามเณรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงครอบงำสัพธรรมทรงรู้แจ้งโลกมีพระทัยเกื้อกูลเป็นผู้นายอดเยี่ยม ทรงอนุญาตเสนาสนะไว้เพื่อหลีกเร้นอยู่เพื่อความสุขเพื่อเพ่งพินิจและเพื่อเห็นแจ้งดังนี้แลเสนาสนะขันตกะจบ